ของอะไรทุกอย่างเกิดมาแลว้วก็ดับไปเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงแทนน้แน่นอนดอกหมู่พวกเพื่อนฝูงญาติมิตรสหายเมือ่อเวลาดับจิตหรือว่าหมดลมให้ใจเข้าออกแล้วเขาก็ไปส่งได้แค่เม้นเท่า น, นั้นแหละเนอต่อไปเขาก็ไปส่งไม่ได้โดือดประสู่สุขติหรือทุกขติ ตัวกองตัวเองเดียเป็นคนที่จะบุญทานการกุศลที่เราได้สร้างได้ทำนี่แหละจะประครับประคองเราไปหมู่พวกเพื่อนฝูงก็ไปส่งได้ที่แคมปเอน